กับนรรมสัส ก, การพระอาจารย์ครับที่ผมได้ตอบช่องไลน์ของท่านพระอาจารย์ที่ถามตอบอริยสัจสี่ตามความเข้าใจนะครับตามความเข้าใจของเรามาโดยที่ไม่อิงตัวหนังสือหรือตำรานะครับทุกทุกก็เป็นผลที่ที่ผมตอบไปนะครับทุกก็เป็นผลคือความ ทุกกายทุกใจความไม่สบายใจอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเหตุแห่งทุกข์ก็คือความคิดแลวก็ทางดักทุกข์ก็คือการทำอะไรให้รู้อยู่ทำอะไรให้รู้อยู่มีสติให้รู้อยู่นะครับด้านี้ลดความดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเองแล้วท่านพาอาจารย์ก็ตอบเป็นแค่อาการ ให้เข้าไปหาผู้รู้นะครับทั้งที่ปฏิบัติมาทั้งหมดทั้งมวลผมก็นึกว่าผมรู้อยู่ครับตอนตั้งแต่ต้นครับแต่พอมาว่าให้เข้าไปหาผู้รู้นี่แต่เขาเข้าใจอยู่ครับบรรากาน้ำพระสกางครับปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันแก้ได้โดยการที่เข้าหาผู้รู้นี่แหละไปบอกปัญหา ปัญหาที่มีความทุกข์ในโลกปัญหาทีมีความทุกข์ในทางธรรมแก้ได้ด้วยการที่เข้ามาหาผู้รู้ถ้าเข้าหาผู้รู้ได้ก็จบปัญหาเมื่อเกิดจากว่าเราไม่เข้าหาผู้รู้เราส่งจิตออกนอกไปหาสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเรียกว่าอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ต่งางๆก็คือรูปขนาดจิตที่เราเห็นรูปเรารู้เรื่องแต่รูปที่เราเห็น อย่างนี้เราก็มีโอกาสที่จะอส่งจิตออกนอกเข้าไปถูกใจไม่ถูกใจพอใจไม่พอใจตำหนิตีเตียนถ้าไม่ถูกใจก็ตำหนิติเตียนนินทาว่าลายวิภาควิจารณเขาหรือถึงขั้นด่าว่าทะเลาะกันถ้าถูกใจก็อยากได้อยากเอาเขาเอจนกระทั่งอยากได้เขามาเป็นสามีเราอยากได้เขามาเป็นภรรยาเราหรือถ้าเป็นในพวกเสื้อผ้ากระเป๋าถือ เป็นอะไรที่ที่มันถูกใจเราเราก็จะดินน้นรนจะต้องเอามาให้ได้เอามาไน้ได้เรียกว่าชอบกระจายอะไรํานองเนี่ยช่วชอบกระจายเอตกเนี้มันก็จะก่อให้เกิดปัญหาอยู่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงข้ามผิดศีลผิดธรรมวิธีปฏิบัติเนี่ยทุกขณะจิตที่เราเนี่ยตามมองเห็นลูกอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องดูที่ใจเราอย่าส่งจิตออกนอกไปให้ค่ายความต้องการต่อลูกที่ตัวจิที่เราเห็น ให้สังเกตที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจว่าในใจเราเนี่ย <c oughs> มันคิดนึกติดกองพงแต่งกับรูปนั้นอย่างไรให้เข้าหาผู้รู้ก็คือว่าใจเราเนี่ยแน่ใจเราเนี่ยเมื่อไปรู้เนี่ยไปรู้รูปรดกินเสียงเนี่ยหรือเรียกว่าวิญญาณในขันที่ห้าเนี่ย <c oughs> <coarse. S 2> มันไปรู้รูปลดกินเสียงสัมผัสเจติธรรมลมแล้วอาการต่างๆที่ถูกรู้หรืออารมณ์ที่ถูกรู้แล้วเนี่ยมันเอาเข้ามาคิดในใจก็ยัง เอามาเข้ามาคิดมานึกมาตึกมาตรองอาวิพาพวิจารณ์ว่าอย่างไรดูแต่ในใจเราสังเกตแต่ในใจเราข้านอกเนี่ยก็รับรู้ก็ตามปกติทำํำแต่การงานไปไม่ให้ผิดพลาดมีความรู้สึกตัวทุ่มพร้อมกักบการทํางานไม่ผิดพลาดแต่ไม่ว่าดูรู้เห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสอะไรในทุกขณะปัจจุบันให้ดูที่ใจเราว่าเอาสิ่งนั้นเราวิาพากษ์วิจาร์ในใจเราว่าอย่างไรแล้วอย่าหลงไปไอ้ตัวที่วิาพากษ์วิจารเนี่ยมันเหมือนพวกสิบแปดองคุณในใจเราเนี่ยไอ้จิตที่ มันไปรู้เห็นอะไรแล้วมันเอาเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์เอาเข้ามาตึกมานึกมาคิดมาตึกต่อนในใจเนี่ยเหมือนพวกสิบแปดมงกุฎพวกสิบแปดมงกุฎมันอยู่ติดกายจิตใจเราถ้าเราไม่คอยรู้เท่าทันมันเนี่ยเดี๋ยวมันหลอกเรามันหลอกลวงเราทําให้เราเนี่ยเสียหายเยอยแยะทำให้คนอื่นต้องเสียหายด้วยทาให้เราไปตกนรกตกละกรรมลําบากในอวัยภูมิเพราะนี่แน่เราไม่รู้เท่าทันสิบแปดมงกุฎคือจิตเราที่มันปรุงไปปรุงแต่งไป อันเวลามันไปเห็นรูปเราก็ดูที่ใจเราว่ามันเอาเอาสิ่งนั้นมามาคิดมันจิตมันเอาสิ่งนั้นมาคิดมาเลิกมาตึกมาตองมาวิพาควิจารณ์เขามาแอบรักแอบจังเขายังไงในใจแล้วจะหลงไปตามมันเพราะว่ามันเป็นพวกสิบแปดมงคลไอ้จิตที่มันรู้อะไรแล้วมันเอามาวิพาควิจารณ์รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อาการที่างใจคือใจสบายใจไม่สบายใจที่มีความคิดนั่นคอความตแต่งกุศลนักกุศลเนี่ย พอ ม, มารู้แล้วมันเอามาคิดที่ภาพวิจาร์เอามาตึกตองพอพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวอาาพอภาคอยู่คนเดียวในใจว่ายอย่างไรไอ้พวกไอ้ตัวเนี้ยจิตที่มันเอามาเข า, าเอามาภาคในภาพวิจาร์เนี่ยเอามาคิดติกตอเนี่ยมันเป็นพวก18บมงกุฎไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นพวก18บแมงกุฎต้องรู้เท่าทันมันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะกอ่อให้เกิดทุกข์ทรภัย์แก่ตัวเราเองและผู้อื่นทาให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในพบปัจจุบันและในหลังจากตายแล้ว อันต้องคอยรู้ท่าทานจิตที่เป็นพวกสิบแปดมังกรนี่ตลอดเวลาจิตสิบแปดมังกรคือเนี่ยทุกขนาดจิตปัจจุบันเนี่ยไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรไปได้กลิ่นไปริมรสไปสัมผัสไปรู้อาการทางใจใจสบายใจไม่สบายมีความคิดนั่นคือความคุณแต่งอย่างไรรู้ท่าทานมันหมดเนี่ยไปหลงตามไปเรียกว่ารู้ต่อทานพวกสิบแปดมังกรในใจเราคือจิตนี่แหละจิตจะเม็นจิดมงังกรนี่แหละอย่าไปหลงกับมันเป็นเราตัวเราเป็นตัวตนของเรา แล้วก็ปล่อยวางมันเสียรู้ตัวทันแล้วปล่อยวางมันถ้ามันเป็นความดีเราก็ทำตามมันได้ถ้าเป็นไม่ดีเรากร้า ม, มันเสียแต่ดีแล้วก็ไม่ติดดีเรียกว่าเหนือดีขึ้นไปอีกไม่หลงไปตามชั่วไม่หลงไปตามบาปกรรมที่มันพาเราไปแต่เนี่ยมันปรุงแต่งให้เราไปทำความดีที่ดีพูดดีทำดีเราก็ไม่ติดดีจิตใจ ป, ปฏิบัติให้เรามาปฏิบัติ ท, ทาใจโปง่งโล่งเบาสบายนิ่งสงบว่าง ใจว่างโล่งโปร่งเบาสบายก็ไม่ติดดีดีแล้วก็ไม่ติดดีเพราะว่ากรรมชั่วบาปกรรมชั่วก็ได้ละจนถึงที่สุดๆๆแล้วเมื่อดีแล้วจิตเขปรุงแต่งให้เราเนี่ยไปกระทาความดีให้ทานรักษาศีลภาวานาจนใจมันสงบโปรงโล่งเบาสบายว่าเปล่าก็ไม่ติดดีทําบุญให้ทานก็ไม่ติดทําบุญกุศลทําแล้วก็ไม่ติดในบุญกุศลด้านเรียกว่าแบบวันเวย์ให้เปล่าแบบวันเบย์ทําความดีแล้วก็เหมือนความดีที่ให้เปล่าแบบวันเวย์ ไม่ติดมันไม่ยึดมันรู้แล้วเห็นแล้วทำได้แล้วทำไปแล้วก็วางไปรู้แล้วเห็นแล้วทำได้แล้วทำเป็นแล้วทำไปแล้วก็วางไปความดีทั้งหมดก็ไม่ติดดีบาปกรรมก็ละหมดแล้วไม่ติดชั่วพอถึงดีทานศีลภาวนาก็จนถึงที่สุดแล้วจนถึงใจที่วางเปล่าก็ไม่ติดว่างไม่ติดทั้งชั่วไม่ติดทั้งดีเหลือชั่วเหลือดีก็นิผ่าน ก็还不如意